ฟังรามกันการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเราเรื่องของคนคนเราไม่กายไม่ใจถ้าเราไม่ศึกษาเรื่องกายเรื่องใจก็จะหลงอยู่ที่กายที่ใจ ถ้าศึกษาปฏิบัติมีสติก็ไปดูก็จะได้ความรู้อันเกิดจากกายจากใจเวามรู้ความเห็นแจ้งในกายในใจนี้เวียนวนเป็นสวรรค์เป็นนิพพานถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นบาปเป็นเปรเป็นชุ่รายเป็นสันโลกได้จึงไม่ควนปล่อยปะาละเลยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ มันมีให้เราศึกษาดังที่พระสว์ที่เราสอทยายเมื่อกี้นี้แล้วพระ เ, เจ้าได้เกิดขึ้นบนศึกษาเรื่องกายเรื่องใจนี้การศึกษาเรื่องอื่นพระองค์สำเร็จมาแล้วส7บเจ็ดศาสตร์รย้มาก นั่นยังไม่เป็นพระเจ้ายังเป็นสามัญชนเป็นปุถุชนมีความหลงในกาย ใ, ใจลกลัวการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าหลงก็ถึงไปการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่หลงก็ไม่มีการเกิดไม่มีการเจ็บไม่มีการเจ็บไม่มีการตายเนี่ย เราชีวิตที่เรามีอยู่นี่เราให้คอยเป็นโชคคอเป็นทุกเพราะกายเพราะใจมันไม่ถูกต้องก่อที่จะเกิดคำพูดหรือตัดออกมาว่ากายสภาวะกายไม่ใช่จัดปุ่กคนตัวตนเราเขานี่อันอื่นเฉือนอกหมดแล้ว แต่ก่อนเคยเป็นจุกปุทุปปกข์ก่อนตัวมาเห็นแจ้งก็เลยเฉือนหลอกมาพูดมาตัดไว้ว่ากายสวากายไม่ใช่จดอุคคลตัวตนโราเขานั่นแล้วก็ลงตัวตรงนี้อย่าให้หลงอะไรที่เกิดกับกายจง จงมีความเห็นแบบนี้ได้ชั่วกายมาจะแสดงให้เราเห็นเป็นอื่นไปซะแต่เป็นอื่นก็มีพบชาติตรงกายเกิดจะเจ็บตายด้วยมีมากมายสิ่งที่เกิดกับกายนี่มัอมมีสติเห็นเนี่ย กายก็ทำได้ทำได้ทุกคนกางเห็นนี่มันให้กว่วการเข้าไปเป็นเนื้อผ่านได้เหมือนเราเดินทางถ้าเห็นกายสภาวะกายมันก็ผ่านไปแล้วถ้าเอากายไปเป็นนันเื่นก็ไม่ผ่านไปไปไม่ได้ถึงไหน เหตชนาหรือสุขหรทุกข์นี่ก็เช่นกันการเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกขเป็นทุกข์สุขเป็นสุขพระพุทธเจ้าเขียนหอกหมดแล้วเหลือแต่สักว่าสุขสักว่าทุกข์สุกก็สักว่าสุขทุกข์สักว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีผู้สุขไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีใครที่เป็นสุขเป็นทุกข์พระความสุขความทุกข์ ถ้ายังมีความสุขความทุกข์อยู่ก็มีการเกิดเจ็บเจ็บตายบนความสุขความทุกข์นั้นจะให้ความสุขความทุกข์เป็นใหญ่แล้วแต่เขาจะให้สุขแล้วเจ่เขาจะให้ทุกข์ไม่ใช่ให้เห็นนะฮะก็าภาษา เอนรียว่าเวทนาจุขก็เรียกว่าเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าเวทนาเสมอกันหมดมันก็เหมือนการเจ็บปวดเฉียเสื้อดูนเชื้อสูญเฉืยอความปกติไป ถ้าเป็นสุขก็เสียปกติไปแล้วถ้าเป็นทุกข์ก็เสียปกติไปแล้วให้เห็นเนี่ยมันจะยากอะไรสร้างความเหมือนอย่างนี้มันไม่ยากอันเท้าไปเป็นวันยากขั่วมันจะเกิดหลุดนะถ้าสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่หลุดแน่นอนมีภพชา ต, ติตรงนี้ด้วยเช่นกัน ใครรก็มีใครรก็เป็นเป็นมาแล้วหลายพกหลายชาติเกิดดับเกิดดับเรื่องสุขตรงทุกข์ก็มีสุขถ้ามีทุกข์ก็มีอะไรอยู่ตรงนั้นมีสมมติมีบัญญัติมีอุปทานมีพบมีชาตินะครัพุทธเจ้าจังเฉือนออกเอาเหลือแต่ว่าสักแต่ว่าจิตก็เหมือนกันนะ ที่มันมีจิตมันก็คือมันมีคู่คือมันคิดเมื่อเหมือมนคิดก็มีอารมณ์เป็นคู่ของจิตเหมือนต่เป็นคู่ของรูปอารมณ์มันก็เป็นคู่ของจิตแล้ว อ, อารมณ์มาเป็นจิตบางทีความโกรธความโลภความหลงกิเลสตัณหาที่เกิดกับความคิด จ, จากจิตบงแต่งขึ้นมามันเป็นอารมณ์มันใช่จิตนักจะใช่จิตผิดประเภทเหมือนใช้เมตดโกนโกนผมไปหั่นผักมันก็เสียเราะว่าเมตดโกนเมตดโกนผมมันก็ใช้ไปได้ ถ้าจิตนั้นไปย่อมอารมณ์เป็นกิเลสหาโหลภะโทสะโมหะตามมาราคฆะปฏิฆะมานาทิฏฐิจิตมันถือมั่นมันก็ผิดประเภทไปแล้วไม่ใช่ไม่ได้การที่เอามาใช้ให้สําเร็จประโยชน์ก็เกิดเป็นไม่มีคุณค่าแล้วจิตอ่ะใช่ใช่ผิดมันก็หมดคุณค่าเรื่อยไปหมดความเป็นจิตเดื่อยไป นเป็นนิสัยเป็นปัจจัยจะดิดนิสัยไปเลยเหลือไวแต่รูปแบบเกิดอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็มีภาระมีปัญหาเราจึงเห็นพระเจ้าเฉือนออกหมดเลยอะไรที่เกิดเกิดจิตอ่ะเฉือนออกหมด อารมณ์โลภคกอดความหลงความรักความจังดีใจเสียใ จ, ใจกิเลตนาเฉือหนอกเหลือไว้แต่กิจสักว่ากิจบริสุทธิ์ละวันไม่ใช่สัตว์บุคคลโตต้นรอขอไม่เอากิจมาให้เป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนเราไปสุขเป็นทุกข์เพราะกิจเราไปสุขเป็นทุกข์เพราะกาย ในจิตก็ไม่เวทนาในกายก็ไม่เวทนาสุขทุกข์จนเห็นสิ่งที่ครอบงำเกิดขึ้นรวมรวมกันเรียกว่าธรรมมีอยู่ทั้งจิตมีอยู่ทั้งกายเรียกว่าธรรมอะไรก็เรียกว่าธรรมจีเกิดขึ้นรวมรว ม, รวมเรียกว่าธรรมก็ไม่ใช่ตัวใช่ตน อย่างวุติเจ้าเทศเรื่องสามัลักษณะควไม่เที่ยงข้อที่หนึ่งก็เป็นทุกข์ข้อที่สองก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ความไม่เที่ยงรวมเป็นทุกข์ข้อที่สอง หลละข้อที่สองความทุกข์เป็นทุกข์ตัไม่เห็นนั่นกวมไม่เที่ยงไม่เห็นความเป็นไม่เห็นความไม่ทุกข์ข้อที่สามว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนก็เลยเรียกว่าอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวต น, วนตวมไม่ใช่ ต, ตน ไม่ใช่ตัวตนอย่าไม่ควรประยึ์ว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเจ้าธรรมทั้งปวงไม่ใชื่อตัวตนไม่ใช่ไม่ไปยึดว่าเป็นเราว่าของเราสักว่าธรรมอันที่เป็นเราเป็นของเราในในในธรรมทั้งหลายนั้น เผือนอหลอกปุลแล้วเดือแต่สักว่าล้องมาปดมอเห็นแย่งไหนสีด่านี่ลองหลอกยืดหลุดได้ง่ายๆอะไรก็หลุดได้ง่ายไปเลยจึงไม่สติดูต้นโตมันดีๆมันก็อยู่กับเราดเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนมันก็อยู่กับเรา ทุกคนโตมันอยู่ที่นี่เหตุนันก็อยู่ที่นี่ลรงมาเจีมแก้งในเรื่องนี้หรือสิอะไรก็ง่ายไปเลยล่ะเหมือนที่ใครได้เคยขึ้นสีปะทะในประเทศสีนลังกาสูงที่สุดเรื่องอื่นเป็นเรื่องง่าย คนที่โฉชนะที่เห็นแย่งในกายในเวทนาในจิตในธรรมเรื่องอื่นเป็นเรื่องง่ายมันก็ไม่น่าจะให้เรื่องนี้คล้องอยู่เป็นบ่วงเป็นเสาหลักเป็นโู่ตวนให้เราได้หลงอยู่ตรงนี้วนเวียนวนว่ า, ายใจเกิดเป็นพวกเป็นชาติน่าเสีอดาย ไม่ทันสมัยไม่คุ้มค่าถ้ามาหลงตรงนี้กีวิตที่เราได้มานั่นไม่ใช่ให้มาหลงตรงนี้ให้ได้ฉลาดตรงนี้ถ้าดูดีมันให้ความฉลาดให้ปัญญาเราถ้าเราไม่ดูซิเลยเนี่ยก็โง่ไปเลยในความสุขก็โง่ในความสุขในความทุกข์โง่ในความทุกข์โง่ในกายโง่ในจิต ในกายในจิตนี่มันเป็นแหล่งปัญญาไม่ใช่แหลง่งความโง่หลงงวมวะแต่ถ้าเราไม่ดูก็เป็นป่าเป็นหลงไปเลยเอวิชชาอาวิชชาเหมือนป่าดงมันอยู่ในกายดงมาอยู่ใน จ, ใจิตใจไม่ใช่ดงอยู่บนสุขโตอยู่ในกิตในใจเราเนี่ยอวิชชาเลยว่าแปลว่าดงแลลว่าป่ามืด สุขเป็นสุขมืดทุกข์เป็นทุกข์มืดวิจญาณยังหงายขึ้นมาเปิดออกเปิดของที่ปิดหงายของที่พ่วงเฉือนขี้ริ้วออกเสืนอนนันที่เป็นขี้ริ้วออกหลือเตะเป็นเนื้อนั่นมี ในชีวิตของเรานะขี้เล้วคือความความหลงเมื่อมีหลงก็มีเชื่อโลกมีความโกรธมีความทุกข์มีความแล้วควาชังความดีใจเสียใจในี่ขี้เลี้วสปกปรกถ้าเรารู้ก็สะอดัดเฉือนหลงนี่นเคเป็นโลกเฉือนหลงเป็นเมือเหลงตัดออกไปทิ้งไป มันเป็นส่วนที่รู้เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราได้รู้ไม่น่าจะหลงในะบอกเสียแล้วบอกแล้วใครก็ได้ยินมากายสว่าคกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของในฐานะสุขทุกข์ก็สัตว์วัชุกทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราของจิ ต, คค ต, ตที่เหมือน มีอะไรเกิดกับจิตมากปายหลายอย่างจิเตเล็พันหน้าตนหาลอยแปสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์คนตัวตนหล่อเขาเป็นจิริยาเป็นอาการของเขาเป็นจิริยาเป็นอาการของจิตเป็นธรรมชาติของจิตไม่ใช่จิตงาร่างกายอะไร เ, เมื่อเมื่อใดมีอาหารก็เหนื่อย ถ้ไดกินข้าวก็เหนื่อยเป็นธรรมชาติเมื่อได้กินก็อิ่มเป็นธรรมชาติหลังตา อ, อดอาหารอาจารย์ตุ้มพาไปอดอาหารอันแรกก็สี่วันห้าวันน้ำหนักลดลงต้อ ง, งสี่กิโลเมื่ออะไรล่ะก็วมันกินมาก บมงคนก็บอกว่าหมอวางคนก็บอกอย่าให้น้ำหนักลดนะก็วนน้ำหนักจะลดกินเอาอยู่นินเ <c oughs> อาอ้วนเกินมาถึงเจ็ดสิบกิโลก็หมอสังนะ่งให้รลงพ่อไปตรวจสุขภาพไปอยู่กับเขาเขอจะดูแล ร, รักษาไปตรวจเลือดไขมันในเลือดสูงริ่ว จนจนจนจนไม่จนไม่เลือดไม่ไหลตื่นไปเลยน้องอะไรง่วงกองอะไรมองหน้ามองหลังนี่ยอ่ไรหมอให้รดไขมันโดยใช้ธรรมชาติบำบัดอดข้าวกินผลไม้ฉันผลไม้นอนตรง ก็ค่อยให้ฉันให้กินละมาน้ำหนักลดลงอะไรก็ดีขึ้น1ิบวันนะอยู่ในคอดขอตอนเช่าขึ้นมายันตุ้มพาไปออกโยคะโยคะออกโยคะแล้วก็ฉันผลไม้ ฉันผลไม้เโาอบสมุนไพยตั้งร้อนต้องเย็นนะ อ, อบร้อนลองไปมุดน้ำในเย็นนะ้ำนะกนะ็เหมือกนกับน้ำแข็งแต่มันอ่างไวไ้ในร่มก็ต้องเย็นแน่นอนอก็ไม่ไม่ลงธรรมดาให้ ลงไปแช่ตั้งสองนาทีก็ล่อนเราไปโถกเก็นมันไม่แช่เย็นใช่แไหมมันปวดกลายเป็นความปวดมันก็มีบนใดลงแรงพอลงไปถึงบนใดตื้นมันก็ปวดหย่อนตรงไปก็ปวดลงเลยขัน้นที่สองที่สามมันก็ไม่ไหวอาจรติมหัวให้ลงไปลงไปลงไว้ มันก็ลงไม่ได้มันจะปวดมันปวดมันปวดเราขึ้นมาขึ้นมาแล้วอบอีกร้อนอีกอบอีกร้อนอีกสิบนาทีในความร้อนนะออกไปลงน้ำอีกสองนาทีแล้วก็อาบน้าทำอยู่แบบนั้นสิบห้าวัน นอกจากก็พวกเลือดให้ยานอกจากก็ถ่ายล่างท้องออสิบพวาวันเข้าคอดขนสํมเร็ิ์หมองมาผนที่ออกมาหน้าพอใจหมอก็บอกว่าลีแล้ว แล้วก็เราก็รู้ว่าดีความแคบก็ากาๆ <c oughs> แต่หิวนะเดี๋ยวนี่ตัดตัดหน้าปาะนะตอนเย็นเด็ดขาดอะไรก็ไม่ให้กินแล้ววะนะกินแต่ข้าวลุกที่ฉันเข้าเราห้ามกินอกีกมันก็หิวอยู่แล้วเนะี่ยมวบอจะได้กิน <c oughs> ตอนเช้า ตอนเจ้าก็ห้ามอะไรอีกให้ฉันสองมือเอาแบบพระที่เจ้าเลยลุกจากที่นั่งนั้นแล้วห้ามฉันอะไรอีกต่ฉันได้เฉพาะที่นั่งอ า, นาสนะศาลานอกจากนั้นห้ามเอาอะไรมาให้ฉันตามวิ่ไหนเป๊บเลยไปเลยเออลดวกอมอ้วนลงหน่อยๆน่อย ห้ามไอซีก็ไม่ได้ียนแล้วนะกันหนูนิดอะไรก็ไม่ฉันแล้ววนะห้ามดื่มก็ไม่ฉันอะไรเครื่องเดืมเครื่องอะไรไม่ฉันหลันแต่ข้าวข้าวก็ห้ามหลายอย่างอาหารก็ห้ามหลายอย่างนี่คือที่ไปนานๆเดือนทันเดือนมกราไม่ได้อยู่อดเลยไปเดือนทันวานอน มาเยกับจากเมืองกีนมาก็มาอยู่วัดเนี่ยสองวันก็ไปเยู่เข้าคอดเขาสิบห้าวันสิบหกวันออกจากคอดเสร็จแล้วก็ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ก็ไปสอนทำเทนันมีคนฟังหก0ันคนนะเป็นประวัติศาสตร์เลยจังหวัดเชียงใหม่มากที่สุด มาไปเลยวงใหญ่ไปสอนไม่มีที่จอดเลยเต็ไมไปหมดเลยหลวงพระตั้งโยมตรร ม, มาเรื่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตนี่ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมกันแล้วชีวิตเราต้องปฏิบัติธรรมถ้าไม่ปฏิบัติธรรมถือว่าคนล่าสมัย วัดใดบ้านใดเมืองใดไม่ปฏิบัติธรรมไหนมันใช่ไร่ได้เราไม่สมศักดิ์ศรีของวดเป็นมนุษย์เราจึงต้องปฏิบัติธรรมอย่า อ, าอะไรมาอ้างนี่คือประเทศไทยมีวัดมีพระสงฆ์อย่างน้อยเราก็มีสุขโตหอยใช้ชีวิตที่นี่พออยู่กันได้ ออกจากมหาไรระมาอยู่ที่บ้านบ้านอายการเขาให้พักที่บ้านอายการคนล้นหลังพระสามลูกบ้านเขาใหญ่โตหลงด้วจะบ้านว่างๆมีคนตามมาอีกมีพระวัดอุโมงตามมาสนหาทำสิบกว่าลูกก็เราก็ไม่ได้ไปหลอกหลวงใคร นะต้องปฏิบัติเนี่ยหลังก็ดมือถึงเมื่อเย็นรหว่านเนี่ยออกจากเชียงใหม่จนเช้าเสร็จขึ้นเครื่องลงกรุงเทพรากกรุงเทพลงขอนเกอนนำมาถึงวัดเราไม่ค่า ม่าแล้วก็อาบน้ำนอนเลยอ่าอิ่มสบายเห็ น, นวัดสเกตตก็ชื่นใจเห็นพวกเราเห็นธรรมาชาติเล้วเราคุ้นเคยที่นี่อยากจะเดินไปไหนไปไหนก็ไปไม่ได้ัำผัสที่มาเดอนเดินหนึ่งกว่วแล้วเดินกวัวแล้ว เห็นพวกเรายังมีใส่ใจการปฏิบัติหน้าโมทนาแล้วก็มีที่ไหนดอกมีนี่แหละสารกลเอาเลยเอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำลาไม่สิตติเข้าไปดูหัวร้อกายหัวล้อใจ วันนี้ก็จะนี่ก็จะไปอีกเดเน่ะ <c oughs> มีบ้านเนี่ยบ้านสงแดงบ้านวอนสวรรค์อุปกรณสวรรค์นเนี่ยเขามาให้ไปเปิดตกลมให้เขาวันที่ห้าแต่เขาอยากให้ไปก่อนถ้ามีพระรูปใดไปได้ก็ดีไม่มีพระที่นั่นแต่ญาติโยมเนี่ย คนขวยมากกว่าพระนะทุกวันแนว้พระน้อยมาก <c oughs> จะกรุงมราชาติไปไหนไม่ค่อยได้ตอนนั้นโยมจึงนำเสร็จแล้วประกาศทำรรแล้วยิ่งใหญ่แล้ววัดต่างๆใหญ่โตแทนที่จะประกาศมีโปรแกรม ออกมาให้คนได้ฝังธรรมเชืยอชลนี่ยอโจมเขาเชืยอชลเราไปพักบ้านอายการอายการเฉืยอชลกานทาองช่องใหม่คนมาจึงเข้าจิงหน้ามากมายนี่นั่นนี่เอเราก็เป็นส่วนของประเทศไทยวัดป่าสุโกโตเนี่ย ช่วยเพื่อเราเสียชรากันไม่เปิดเปิดวัดเปิดตัวเองการเปิดตัวเองคือเปิดให้เขามาเห็นเราว่าเราทำอะไรเราพูดยังไงเราคิดยังไงเปิดกายเปิดใจอย่าปิดบังลาพังเปิดวัดเราก็เป็นอยาน่างนี้อยู่กันแบบนี้ เส้านายไปหน้าหลนบ้านสามแยกบ้านขุดงงธรรมาเปลี่ยนชีวิตได้เอาเลยใครยังอยู่ที่เก่าเปลี่ยนเป็นที่ใหม่ได้เปลี่ยนจากปุถุชนเปลี่ยนมาเป็นกัลยาณชนเปลี่ยนกัลยาชนเป็นพระขึ้นมาเป็นบุญขึ้นมาบาปเปลี่ยนเป็นบนุญ เปลี่ยนเป็นกุศลเปลี่ยนชีวิตที่มันหมกมุ่นอะไรต่างๆเปิดเพื่อนมาเป็นมรรคผลผลจบมันเปลี่ยนได้แต่อยู่ที่เก่าไโกดแล้วโกดอีกห ล, ง, ล ง, กกกกงแล้วหลงอีกทุกด้วทุกอีกกลมล้ของเจียตจังอยู่เช่นนั่นหลือเงินพ้นได้นะเป็นดิสลา โดยเฉพาการปฏิบัติไปล้องไว้อะไรมากมายอะไรที่เราอะไรชื่เราหลงอยู่มันจริงหรือเปล่ามันต้องไม่มีอะไรชีวิตของเราชีวิตต้องไม่เป็นอะไรได้ชีวิตคือไม่เป็นอะไรถ้ายังเป็นลระยู่ไม่ใช่ได้ชีวิตเลยไม่ให้มีชีวิตเกิดดับก็ดดับเป็นพบเป็นชาติอยู่ชีวิตจริงๆไม่เป็นอะไร ถ้าอย่างสุกอย่างทุกข์อย่งโกรธอย่งโลคอย่งหลงอย่งรักอย่งเกลียดชังอย่งเศร้าหมองกับหมัวมันไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตเราไม่ใช่อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้เอาชีวิตไปห้อยไปแขนไว้แล้ยวแต่เขาจะให้เป็นยังไงมันไม่ใช่เราชีวิตต้องเป็นอิสระต้องไม่เป็นอะไรกับบ ร, รามันเถ็นแลหมดแล้วกายสวก า, าย เวทนาสุขทุกข์สกุเวทนาจิตก็สกุจิตธรรมส ก, รมมกุธรรมเมื่อก็ขี้ดิบทั้งหลายเกินได้พูดออกมาว่ากายสักุกายเวทนาสกุเวทนาจิตสกุจิตธรรมสกุธรรมแต่ก่อนเป็นคํารตัดสอนพระพุทธเจ้าว่าเราหมดธรรมนะั้นมันเป็นคําพูดของเราเป็นความเห็นของเรามันอยู่กับเราเแล้วไม่ใช่อยู่กับพุทธเจ้า ทมที่เป็นส่วนนี่อยู่กับเราเสีแล้วปฏิบัติได้ผลได้จริงๆควรเรียกมาดูควรน้อมหมาอใช้ตัวเป็นของส่วนตัวแบ่งปันกันไม่ได้เดิลักจ ะ, ะไรก็ไม่ได้เลยงานเสยเวลาเธอพวกเราด่วนๆเจ้าหน่อยเข้าเท่นเข้าทางเข้าทางด่วนเจ้าหน่อย ทางด่วนอยู่ตรงไหนเห็นแล้วไม่เป็นเห็นหลงกลายเป็นความรู้ด่วนที่สุดถ้าหลงเป็นหลงเนินชาหวานเย็นไปแล้วถ้าหลงเป็นรู้เนี่ยเรียกว่าด่วนแล้วเปลี่ยนหลงเป็นรู้เปลี่ยนทุกเป็นรู้เปลี่ยนโกรธเป็นรู้เปลี่ยนอะไรทั้งต่างเป็นรู้ด่วนแล้วเนาะนี่คือทางด่วนทางหลุดพ้น ความสอนทวารโจยกับบานหลุดพ้นนะปิมุตต์นะมันหลงพ้นจากความหลงมันทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่ทางมันโกรธพ้นจากความโกรธมันรักมันเกียรตชังพ้นจากความรักความเกียรชังนี่ว่าด่วนเป็นทางไปเอาไว้หลังแล้วจึงว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตได้ มันเปลี่ยนได้จริงจมันเราช้เรื่องเก่าโวมหลงเป็นเรื่องเก่าคือกิน่าสมัยโฉมโกรธเป็นเรื่องเก่าโฉมทุกเป็นเรื่องเก่าโมอะไรต่างๆวิถุก็มือนชอบมองเป็นเรื่องเก่าเก่าขคึกมากเขาท่านเขาไมีสมัยสล้วสมัย สมัยคือมันไม่ไม่ลาสมัยน้าหลงอยู่ลาสมัยถ้าโกรธอยู่ทุกอยู่ลาสมัยนะบางคนด้านนะคนหลงคนหน้าด้านคนทุกข์คนหน้าด้านคนโกรธก็นหน้าด้าน ไม่อายตัวเองก็ไม่อายคนอื่นทำได้ทุกอย่างมันได้น้ามีสติมันจะอายตัวเองแต่มันอายตัวเองก็อายคนอื่นได้ถ้ามีสติก็ซื่อตรงตัวตัวเองหลงไม่ได้ ลงไม่ได้ซื่อตรงตัวเองตรงจริงๆความหลงปฏิบัติตรงเข้าไปควมหลงเป็นความูกปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกข์แล้วหลงภัยเกิดทุกข์พิทุพิปฏิบัติสมังเสมอแล้วชสบายแล้วหัดไปหัดไปไม่ต้องหัดมันเป็นไปแล้วหลงที่ไหนรู้ที่นั้นโกรธที่ไหนรู้ที่นั้น ทุกที่ใดลู้ที่นั้นเพราะมันเป็นแล้วไม่ต้องหัดไม่มีลืมอันลู้จำมันลืมลู้แจ้งไม่ลืมมันก็มีอันเดียวในโลกน่ะมีสุขมีทุกข์มีหลงมีรู้ไม่ใช่มากไม่นาจะสับสนเรื่องอะไรเรื่องเหล่านี้ มันเชื่อว่าหลงคือความหลงนั่นแหละคิดว่าทุกข์คือความทุกข์นนะั่นแหละค่ก็เหมือนกันหมดซ้มันลักษณะจะเหมือกันความเป็นมนุษย์ของเรานะ่ะไม่ใช่เรื่องเรื่องอย่างนี้ควมเป็นมนุษย์มันต้องอิสรภาพขึ้นมาไม่เวียดเวียนตัวเองควเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือควเป็นมนุษย์ไม่เบีเบีนเจือเกินวัตถุอื่น นี่ความเป็นมนุษย์บิเบนตนอยู่ไม่ใช่มนุษย์เป็นมนุษย์สาเปรตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ความรู้สึกเป็นเปรตไปมนุษย์สาเดรฉานร่างกายเป็นมนุษย์แต่คิดใจเป็นสัตว์เดชฉานงเงูก็ให้สุกก็สุกก็ให้ทุกข์ก็ทุกข์มนุษย์สาอะไรละ่ะเปรตชนิดสุลกายงู สุรกก็กลัวกลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะพัดภาคจากของแล้วของชอบใจกลัวอะไรก็กลัวไปหมดเอาความโกอกหน้าสุรุกข์กไม่กล้าตัวบอกให้เลิกสุบรีกลัวอดหมอบอกให้ให ไม่ได้กินอะไรกรลัวชิตแลวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเ น, นี่ขึ้นรถมาเขาเคยซื้ออาีวแย์กินเขาซื้อมาแล้วก็หมอว่ า, วากินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินนะแต่เราไม่กล้าก็โอ้ยอดไม่ได้เราเหมือนถึงก็อยาก ให้ความอยากพารวมนาาของความอยากให้ความอยากเป็นปัญญาให้ความอยากเป็นความอยากสิโลไกโนนะละนะละหลัวโนศนรกนรกมีแต่ความเล่าร้อนไม่เย็นสักหน่อยความสุขก็เล่าร้อนนะความสุขความทุกข์ก็เลาร้อนนะความทุกข์ ความโกรธเกลียดชังก็อรอดน่นความจกลีดชังไม่เกียดความเบนมันก็ไม่มีไม่มีความร้อนความหลงก็ไม่รอดอีกแล้วความโกรธความทุกข์วิเลตนาไม่รอดอีกแล้วเย็นเส็แล้วมอดเสร็จแล้วนั้นมอดแล้วเหมือนไฟวัดป่าซื้อโอมอดได้แล้วแต่ก่อนเลือดรู้นี่ยนะ กังวลมากๆเรื่องไฟไหม้ป่าเดี๋ยวก็ขวนขึ้นเดี๋ยวขวนขึ้นที่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนี่ก็โม่ตรงแล้วอยู่สงบสบายพวกเราถ้าใจเรามันเย็นลงมลงม่ลงมันจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรนะครับว่าไม่เป็นอะไรนะี่อันก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วถ้าแม่งเป็นอะไรเดู๋ก็ต้องทําเป็นงานของเรา ถ้าหลงเป็นหลงก็ต้องทําหลงให้เป็นไม่หลงเป็นลูกเขาไปงานปฏิบัติธรรมไม่ใช่งานมายกมือสร้างจาังหวะอาจจะเป็นอะไรก็ได้นั่งเฉยๆก็ปฏิบัติได้ปกติไม่เป็นไรกับอะไรไม่เป็นเลยกับไรคือปฏิบัติธรรมมานโชกก็ไม่นั่โชกมานั่งทกก็ไม่ทุกนั่งอยู่นอนอยู่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมได้ นัขอบใจพวกเราที่เพอกัอยู่พธิปัติธรรมยังมีอุ่นใจพอมีหวังล้าว่าไปหมกมุ่นอะไรต่างๆก็หมดหวังเสดแล้วเปเห็นคนเชียงใหม่ก็มีหวังบ้างเป็นคนจีนก็มีหวังบ้าง แม่คนไทยจะเป็นไงพอไม่หวังได้ไหมเนาะก็เห็นนะค้อนี้ก็ดีแล้วนีพระสงฆ์องค์เจ้ามีแม่ชีเป็นในหมดเลยแม่ชีนะฮะอ่าดีแม่ชีน้อยก็ยังอยู่แม่ชีนะก็ยังให้เพียงเรื่องอยู่แม่ต้องคําก็ยังอยู่ยยยยยนุนีดก็ยังอยู่ใครๆก็ยอยู่ อุนใจนะอุนใจปฏิบัติธรรมกาไปพวกเราสมกวนใจเวลากาบพระพ้องกัน